บันทึกที่7ความหมายของภวะตัญหาและวิภวะตัญหาการแปลความหมายของตันหาสมอย่างโดยเฉพาะข้อที่2คือภวะตัญหาและข้อที่สคือวิภวะตัญหามักมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนและความเห็นที่ขัดแย้งกันจึงขอนาหลักฐานต่างๆมาให้ช่วยกันพิจารณา ในพระสูตรแม้บางแห่งจะจำแนกตันหาออกเป็นสามอย่างและบอกชื่อไว้คือกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาดังเช่นในธรรมจักรกับปวะตนะสูตรสังคีติสูตรและทัสสุตระสูตรเป็นต้นแต่ก็ไม่มีที่ใดให้คำจำกัดความหรือแสดงความหมายไว้โดดรงเลยผู้ศึกษาจึงต้องหันไปพึ่งคมภีฝ่ายพระอาภิธรรมและคมภีชั้นอัรถกถา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 ในที่นี้จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝ่ายพระสูตรพระอภิธรรมและคำอธิบายของอัตถกธาถาเพื่อผู้ศึกษาจะได้พิจารณาอย่างกว้างขวางตัณหาสูตรในอิติอุตกะเป็นพระบาลีแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกตัณหาสามอย่างไว้ณที่นี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงแสดงความหมายของตัณหาแต่ละอย่างไว้โดยตรง แต่ก็ได้ตรัสข้อความเป็นคถาซึ่งอาจใช้ประกอบในการที่จะเข้าใจความหมายต่อไปพระสูตรนี้เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามศัพท์เท่าที่มีโดยยังไม่นำเอาคำอธิบายเสริมความของอธถคถาเข้าไปปรุงจะได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายตัญหาเหล่านี้มีสามประการสาประการเป็นชน ได้แก่กามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาภิกษุทั้งหลายตันหาสามประการดังนี้แหละชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตันหามีจิตยินดีในพบและอภพในวงเล็บภวพะพเวพวกเขาผัวพันด้วยเครื่องผูกของมานไม่มีความลุโล่งโปร่งใจ เป็นสัตว์ไปสู่สงสารถึงความเกิดและความตายส่วนชนเหล่าใดกำจัดตันหาได้แล้วเป็นผู้ประสากตันหาในภพและอาภพในวงเล็บภาวาพเวบรรลุความสิ้นอาสวะชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงฟังแล้วในโลกอีกสูตรหนึ่ง ในอิติอุตตะนั่นเองชื่อทิฏฐิสูตรมุ่งแสดงเรื่องทิฏฐิสองซึ่งหมายถึงภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิแต่เนื้อหาที่ตรัสเป็นการแสดงภวะตัณหาและวิภวะตัณหาไปด้วยในตัวขอแปลามาให้ดูทั้งสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสียส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรกล่าวคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีพบเป็นที่ยินดีในวงเล็บภะวารามารื่นรมในพพภวรตาบันเทิงในพบ ภาวะสามุทิตาเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพภาวะนิโรธจิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นยอมไม่แลนไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแนวลงไม่น้อมดิ่งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรเล่าคือ คนพวกหนึ่งอึดอัดกระอารังเกียจอยู่ด้วยพบนั่นแหละจึงพรหม์ชื่นชมวิภพหรือจิงยิงดียิ่งซึ่งวิภพ บ, บาลีว่าวิภวังอภินันทันติวิภวะหรือวิภพเท่ากับความปราศจากพบอตตคถาอิติอุตกะไขความว่าเท่ากับอุเฉทะแปลว่าความขาดศูญย์ คนพวกหนึ่งอึดอัดระารังเกียจอยู่ด้วยพบนั่นแหละจึงพรามชื่นชมวิภพว่านีเนศท่านเออยัญยะว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตนี้ก็จะขาดศูนย์มาลายสิน้นนี่ล่ะคือภาวะสุดประเสริฐนี่ล่ะคือภาวะดีเยี่ยมนี่ล่ะคือภาวะที่เป็นของแท้พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงมองเห็นเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพพบในวงเล็บภูตะอัธกถาว่าเท่ากับขันห้าย่อมมองเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบคือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริง รันเห็นสภาพพบด้วยความเป็นสภาพพบแล้วยอมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดคือนิพพิธาเพื่อหมดใกล้คือวิราคะเพื่อนิโรธแห่งสภาพพบนั้นส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นสภาพพบด้วยความเป็นสภาพพบและเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพพบ ผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริงเพราะหมดสิ้นภาวะตันหาถ้าเขากําหนดรู้สภาพพบเขาจะเป็นผู้ปราศจากตันหาทั้งในพบและอาพบในวงเล็บภาวะพระเวเพราะความหมดพบแห่งสภาพพบภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่พบ อ, อีก ในพระสูตรนี้มีข้อสังเกตสําคัญที่ควรกล่าวในะที่นี้สองประการคือข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตันหาและทิฏฐิควบคู่ไปด้วยกันเพราะเป็นของเนื่องกันอิงอาศัยกันคนพวกหนึ่งยินดีในภพปรัตตนาภพในวงเล็บภวระมะหรือภวะอภิรมะเท่ากับภวะตันหาคนพวกหนึ่งยินดีในภพ ปรารถนาพบและมีความเห็นยึดติดถือมั่นว่าพบนั้นเป็นที่น่ายินดีเป็นที่รองรับความยั่งยืนของอัตตาเป็นสภาพที่น่าปรารถนาในวงเล็บภวะทิฏฐิส่วนคนอีกพวกหนึ่งเกลียดชังพบชื่นชมยินดีวิพปรารถนาความขาดศูญในวงเล็บวิภวะอภินันทาเท่ากับวิภวะตัณหา ส่วนคนอีกพวกหนึ่งเกลียดชังพบชื่นชมยินดีวิภพปรารถนาความขาดศูนย์และมีความเห็นเชื่อถือยึดถือว่าอัตตาจะขาดศูนย์ในวงเล็บวิภวะทิฏฐิเท่ากับอุเฉธาทิฏฐิข้อสังเกตที่สองความในพระสูตร แสดงความแตกต่างระหว่างวิภาวะหรือวิภพความปราศจากภพไม่มีภพหมายถึงความขาดศูนย์ซึ่งเป็นที่ยึดถือของความเห็นผิดกับภาวะนิโรธความดับภพบซึ่งเป็นคำสอนและเป็นสภาวะที่พึงมุ่งหมายในพุทธธรรมวิภาวะหรือวิภพเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับภาวะหรือภพ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 ตันหาก็อย่างหนึ่งทิฏฐิก็อย่างหนึ่งหรือความอยากก็อย่างหนึ่งความเห็นก็อย่างหนึ่งในปุราเพทสูตรในสุตตานิบาตมีข้อความในคถาหนึ่งพร้อมทั้งคำอธิบายในมหานิเทศและในอัตถกถาตึงจะช่วยให้เข้าใจความหมายของภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นข้อความในพระสูตร ต, ตอนนั้นว่า ผู้ใดไม่มีความอิงอาศัยคือไม่ขึ้นต่อตัญหาและทิฏฐิรู้ธรรมะแล้วไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรคือจิตใจเป็นอิสระไม่มีตัญหาไม่ว่าเพื่อพบหรือเพื่อวิพบภวายะวิภวายะวาตัญหาคือความทยานอยากเพื่อจะเป็นหรือเพื่อจะไม่เป็นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบ คำสำคัญในที่นี้คือภวายะวิภวายะวาตันหาซึ่งแยกออกได้เป็นภวายะตันหาตันหาเพื่อพบหรือความทยานอยากเพื่อจะเป็นกับวิภายะตันหาตันหาเพื่อวิพหรือความทยานอยากเพื่อจะไม่เป็นกล่าวได้ว่าคําทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกสั์ของภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานั่นเองอย่างไรก็ตามคำภีมหานิเทศซึ่งอธิบายสุตตานิบา ช, ช่วงนี้และเป็นคำภีในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันได้ไขความพระบาลีตอนนี้โดยอธิบายตัญหาว่าได้แก่ตัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสผพเถพภและธรรมารมณ์และไขความภวายะ ลวิภวายะหลายไยยะไยยะที่หนึ่งว่าภาวะหมายถึงภาวทิฏฐิลวิภวายะหมายถึงวิภาวทิฏฐิไยยะที่สองว่าภาวะหมายถึงสัสสตาทิฏฐิวิภวายะหมายถึงอุชเชทา e ทิฏฐิไยยะที่สอง ว่าโดยสาระก็เหมือนกับในยะแรกนั่นเองในยะที่สามให้ความเฉพาะแต่ภาวายะว่าหมายความว่าตัณหาหรือความทยานอยากเพื่อความเป็นบ่อยๆในวงเล็บภพเพื่อความไปบ่อยๆในวงเล็บคติเพื่อความอุบัติบ่อยๆเพื่อปฏิสนธิบ่อยๆ เพื่อความบังเกิดแห่งอัตตาบ่อยๆส่วนวิพวาวยะท่านไม่ไขความไว้แต่กระนั้นก็ตามการไขความภาวยะตามนัยยะที่สามนี้ก็เท่ากับเป็นเครื่องบ่งชี้ให้แปลมิภายะว่าตันหาหรือความทยานอยากเพื่อความไม่เป็นคือวิภพหรือปราศจากภพหรือเพื่อความขาดศูนย์ ในพระอภิธรรมปิดกคำภีได้ให้คําจำกัดความตัญหาต่างๆไว้บางแห่งอธิบายเฉพาะภาวะตัญหาซึ่งในที่นั้นมาคู่กับอวิชชาว่าบรรดาองค์ธรรมสองอย่างนั้นภาวะตัญหาเป็นชนัยความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาในภพความสเสน่หาในภพความร่านรนในภพความสยบในภพ ความหมกมุ่นในภพอันใดนี้เรียกว่าภาวะตันหาอีกแห่งหนึ่งอธิบายตันหาทั้งสามอย่างดังนี้บรรดาตันหาทั้งสามนั้นภวะตันหาเป็นชนหะดความใกล้ความติดใกล้ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลิน ความไฟรักเพลิดเพลินความติดใครแห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยภวะทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตันหาวิภวะตันหาเป็นชไหนความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความไฟรักเพลิดเพลินความติดใครแห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉทาทิฏฐิ นี้เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาที่เหลือนอกนั้นเรียกว่ากามตัณหาอีกในยะหนึ่งบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นชนัยความใคร่ความติดใคร่ละถึงความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยกามธาตุนี้เรียกว่ากามตัณหา ความใกล้ความติดใกล้ละถึงความติดใกล้แห่งจิตที่ประกอบด้วยรู ป, ปธาตุและอรู ป, ปธาตุนี้เรียกว่าภวะตันหาความใกล้ความติดใกล้ละถึงความติดใกล้แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉธาทิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตันหา ในอัธกถาแห่งอิติวุตกะซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นแห่งแรกอธิบายคำภวาพระเวว่าหมายถึงมีใจติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และอธิบายอีกในยะหนึ่งว่าภพหมายถึงสัสตตตทิฏฐิอาภพหมายถึงอุเชทาทิฏฐิเพราะฉะนั้น มีใจติดข้องในภพและอาภพก็คือในสัตตาทิฏฐิและอุเฉธาทิฏฐิซึ่งก็มุ่งหมายเอาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเองส่วนแห่งหลังอธิบายคำภวพะพเวว่าหมายถึงในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญเป็นต้น อีกแห่งหนึ่งอธิบายคำภวาพโวว่าภวะหรือพบเท่ากับสมบัติอภวะหรืออภพบเท่ากับวิบัติภวะหรือพบเท่ากับความเจริญเพิ่มพูนอภภาวะหรืออภพบเท่ากับความเสื่อมหรือลดลง ในอัธกถาแห่งสุตตานิบาตและอัถกถาแห่งมหานิเทศตอนที่อธิบายภูราเภเทสูตรช่วงที่อ้างข้างต้นนั้นไขความตอนสําคัญว่าพวายะวิภวายะวาติสัตสตายะอุเฉทายะวาซึ่งแปลได้ความว่าตัณหาเพื่อพบหรือเพื่อวิพบคือเพื่อความเที่ยงแท้ยั่งยืนหรือเพื่อความขาดศูน บางท่านแปลเติมศัพท์หรือเสริมความเพื่อให้เหมือนกับที่อื่นๆว่าเป็นสัสตาทิฏฐิหรือเพื่ออุเชธาทิฏฐิอธากขาแห่งปฏิสัมพิธามรกอธิบายตัณหาสามไว้อย่างชัดเจนมากพร้อมทั้งยกเอาคำจำกัดความในพระอภิธรรมปิดกมาอ้างไว้อย่างครบครันและอธิบายไ้ถึงสองแห่งแห่งที่หนึ่งอธิบายว่า ภาวะตันหาที่มาคู่กับอวิชาว่าภาวะตันหาได้แก่ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นแล้วยกบาลีในธรรมสังคณีและ ว, วิพังที่แสดงข้างต้นมาอ้างจากนั้นอธิบายตันหาทั้งสามอย่างโดยยกความในพระบาลีในคาพีวิพังที่แสดงแล้วข้างต้นมาอ้างแล้วอธิบายต่อท้ายว่า แต่ในอัธกถาท่านกล่าวว่าราคะที่เนื่องด้วยการมาคุณห้าชื่อว่ากามตันหาราคะในรูปประพบและอรูปประพพความติดใจในฌานราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตตติทิิความปรารถนาด้วยอำนาจพบชื่อว่าภวตันหาราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิทิชื่อว่าวิภวะตันหา ความหมายอย่างนี้ในวันนาแห่งสังคีติสูตรก็อธิบายไว้อย่างเดียวกันแห่งที่สองอธิบายตันหาสามตามลำดับดังนี้กามตันหาได้แก่ตันหาในกามคือกาเมตันหาคำว่ากามตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เนื่องด้วยกามคุณห ภวตันหาได้แก่ตันหาในภพ บ, บาลีว่าพะเวตันหาคำว่าภาวะตัญหานี้คือชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัจสตาทิฏฐิซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจความปรารถนาภพเป็นชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพและเป็นชื่อของความติดใจในฌานวิภวะตัญหา ได้แก่ตัณหาในวิภพความไม่เป็นความปราศจากภพความขาดศูนย์บาลีว่าวิภเวตันหาคำว่าวิภเวตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉธาทิฏฐิคำอธิบายอย่างนี้มาในอัธกถาแห่งวิพังในพระอภิธรรมปีด ก, ก็มี ซึ่งฉบับอักษรไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันถ้อยคำตกหล่นไปบ้างไม่ครบถ้วนอย่างในปฏิสัมพิทามัคอัตถกถาวิสุทธิมัคซึ่งเป็นคำผีระดับอัตถกถาที่ใช้อ้างอิงกันมากในวงการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาและตามปกติมักอธิบายเรื่องสาคัญสาคั ญ, คญเหมือนกันกับอัตถกถาอื่นๆแต่สาหรับเรื่องตัญหาสามนี้ กลับพูดน้อยโดยอธิบายไว้เฉพาะในตอนที่พูดถึงตันหาร้อยแซึ่งจะให้มองเห็นแง่ความมาอีกด้านหนึ่งดังจะคัดมาให้ดูดังนี้ก็แลบรรดาตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่และธรรมารมณ์รวมหกอย่างเหล่านั้นตันหาแต่ละอย่างตรัสไว้อย่างละสามคือการมตันหาภาวตันหาวิภวะตันหา ตามอาการที่เป็นไปจริงอยู่รูปตัญหานั่นเองเมื่อยินดีอย่างชนิดยินดีกามในเวลาที่รูปอารมณ์มาสู่คลองจักสุในเวลานั้นชื่อว่ากรมตัญหารูปปัญหานั่นแหละในเวลาใดเป็นไปพร้อมด้วยทิฏฐิว่ารูปารมณ์นั่นแหละเที่ยงแท้ยั่งยืนในเวลานั้นชื่อว่าภวะตัญหา เพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัจสตาทิฏฐิท่านเรียกว่าภาวะตันหาแต่ในเวลาใดรูปตันหานั้นเป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิว่ารูปอารมณ์นั่นแหละขาดศูนย์พินาศในเวลานั้นชื่อว่าวิภาวะตันหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิ ท่านเรียกว่าวิภาวะตัณหาอย่างไรก็ตามพึงดูคำอธิบายตามมติของมหาดีกาประกอบด้วยคำภีปปัญจสุทนีและสารัฐาปกาสินีก็อธิบายไว้ทำนองเดียวกันนี้แต่สำนวนภาษาที่ต่างออกไปอาจช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผู้สนใจโปรดดูตามที่อ้าง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 1. กามตัณหาคือตัณหาในกามได้แก่ราคะที่เนื่องด้วยกามคุณห้าภาวะตัณหาคือตัณหาในภพได้แก่ราคะความติดใกล้ปรารถนาในรูปประพบและอรูปประพบความติดใจในฌานและราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตตตถิธิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาพบสวิภาวะตันหาคือตันหาในวิภพได้แก่ราคะที่เป็นไปพร้อมดู อ, อุเฉธาทิฏฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความปราศจากพบหรือความขาดศูนย์ ข้อพึงระวังคือจะต้องระลึกไว้เสมอว่าวิภพคือความปราศจากภพความสิ้นภพหรือความขาดศูนนั้นเป็นคนละอย่างกับภวะนิโรธที่แปลว่าความดับภพบหรือความไม่เกิดภพซึ่งเป็นสภาวะที่พึงประสงค์ถ้าไม่ชัดพึงพิ จ, จารณาทบทวนพระบาลี ในทิฏฐิสูตรข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง